สุขละทั้งหลอระยะต่อไปนี้ก็ขอเข้าถึงทุ่งสงก์เทีวันที่ยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยี่สเอ็ดเวลาเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีออกเดินทางจากแกลงไปฟ้ากระบี่มาทุ่งสง ตอนนี้รู้สึกว่าบรรดาลูกรักทั้งหลายคงจะคิดว่าเราเดินทางในความปลอดภัยแล้วคงจะไม่มีอะไรในระหว่างทางอันงนี้เพราะอะไรเพราะว่าลูกไม่รู้ว่าในสายนี้มีอะไรบ้าง พอออกมาพอออกเดินทางมาก็ เ, เจึกเขาบอกว่านินาสารแล้วก็พระแสงอะไรพวกนี้เป็นต้นตามเพอต่างตามพวกนี้แต่ความจริงพื้นที่แถวนี้พวกถ้าหากว่าเดินในทางถนอนรถยนต์พ่อไม่รู้จักเลยเพราะว่ามไม่เคยมารถยนต์ ใช่แต่หอเป็นพื้นในสมัยร่วมทางกับท่านหญิงวิภาวดีรังสิตัะยะทางช่วงนี้เราเต็มไปหมดลูกรักพอบอกแล้วว่าจะออกจากจังหวัดสุราธานีแล้วไม่มีทางเลยแ้้จะมีจุดใดปลอดคำว่าจะปลอดจากคนที่มีคติโกกตรงกันข้ามกรัฐบาลไม่มีสาหรับเขตนี้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 ว่าคนที่คุยกับเราเขาเป็นไครถ้อนเราวิ่งมาอย่างแยะชาเพราะใช้เวลาจากโรงไฟฟ้ากระบี่มาถึงอำเภอทุ่งสงหรือว่าเขตแปดของตะเวนชายแดนทุ่งสง <c oughs> มีระยะทางร้อยสี่สิบเศษเศเป็นระยะทางไกล ถ้าเราเดินทางจากแต่เชา้าก็มาชันเพลงกินข้าวสบายกลางวันแต่ระบาดระยะทางของเราที่วิ่งมานั้นเราออกชา้าเกินไปอาจใช้เวลาเก้านาฬกาเสร็จเพราะหลือเวลาน้อยเป็นเวลาชั่วโมงเสร็จก็ จ, จึงต้องแวะกินข้าวในระหว่างทาง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 รถวิ่งไปด้วยความเร็วถึงตอนนั้นก็ลื่นทหลาชนกันตั้งหลักไม่อยู่การกระทำอย่างนั้นเป็นเจตนาของผู้ร้ายที่หมายจะเจี่ยวของแม้ว่าคงจะเป็นเคราะห์ดีคงจะของรถจิงทั้งหมดที่ปรายกฎว่ามีคนเห็นแล้วก็ปลอดภัยจากการถูกกี้แต่ก็เป็นที่น่าเสนได้ รถเก๋งราคาแพงเจ้าของยึดตัเสียเวลาย่องเจ้าของต้องเสีย เ, เวลาซ่อมไม่เวลาการงานต้องจับจ่ายจับจ่ายแค่สอยในการเงินพ่อเห็นใจเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่ต้องการหิง้งบุคคลใดมีความทุกข์ถ้าโลกนี้ดีโลกมันจะหาความสุขที่ไหนหาความแน่นอนอะไรก็โลก คำว่าโลกพระพุทธเจ้าทึงกล่าวว่ามีคำแปลว่ามีอันที่ต้องชิบหายไปไม่ว่าสมบัติสมบัติสมบัติส่วนใดของโลกที่มีความมั่นคงนั้นไม่มีแล้วก็สำหรับการมาของเราคราวนี้การเดินทางจากจังหวัดกวบีเราก็ถูกสะกดรอยตลอดเวลา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 ถึงแม้ว่าเราจะป้องกันตนเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตเราก็ยะงมีการช่วยกันป้องกันคันไหนเพลียงพรำลงไปอีกสามคันก็สามารถจะช่วยได้เพราะเราตั้งสี่คันการเดินทางของเราเราพร้อมแล้วกับการเสี่ยงภัย แล่ก็มั่นใจในบารมีของสมเด็จพระจอมไตรบรมสัสดาเทวดาระพรมและท่านพุมีพระคุณและสายบุญบารมีที่เราทำกันไว้ร่วมกันก็สามารถจะช่วยเราให้ปลอดภัยไปได้เสียงที่พร้พ่อพูดออกไปถ้ามีเสียงรบกวนโปรดทราบว่าถึงแม้ว่าเวลานี้จะเดือดสงัด เกือบจะถึงเวลายี่สิบสี่นาฬิกาแล้วแต่ว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์ ย, ยังดังชัดเพกียาดเพลีพาดเป็นนั้นมาภาระของคนนี้ยังไม่หมดเป็นนั้นว่าหลังยาจากจาวกักะ บ, บีเราถูกสะกดรอยทั้งรถจนและรถมอเตอร์ไซค์เวลาที่เราพักฉันนับริโภกอาหารกลางวันกัน ตอนนั้นคนที่มีความหนักใจมากที่สุดก็คือจ่าสิทธิ์ตำรวจตะกูลเปาลิกและคนนี้เป็นคนฉนลาดในการดูคนดูลีลาของคนมีความคิดเห็นว่าทุกคนยังไม่ควรจะกินอาหารแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเป็นด้ใจนึกและปลารกกับพ่อพ่อเองก็ไม่ได้ทราบ ว่าเขาจัดอาหารตัดติดยาไซบินโตมาด้วยถ้าพ่อทราบอย่างนั้นพ่อก็ไม่ยอมให้รถแวะเหมือนกันเพราะการแวะคราวนั้นเป็นการเสี่ยงที่หนักที่สุดระยะที่รถเราเสียต้องแก้ไขกันที่ปลายพยายาก็เป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดทั้งสองจดุดเป็นจุดที่มีการจี้ปลุนกันบ่อยที่สุด จงอย่าคิดว่าตลาดคนมากจะช่วยอะไรเราได้มองดูตาคนให้ดีกิิยาของคนในที่นั้นรู้สึกว่าเขามองเราเห็นเป็นอาหารที่โอชาไม่ใช่ว่าเข า, าเห็นพาดแล้วเขาเคารพย่าลืม ว่าคนที่มีค ต, ต, ติตรงกันข้ามมีคติตรงกันข้ามกับรัฐบาลก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายศูนของเราบอกชัดว่าเป็นศูนย์ของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวเขาก็ยิงเปรดเรามากเพื่อนนั้นว่าเราปลอดมาได้ก็ดีจะงนั้นการเดินทางในสายนี้ในรถจนก็ดีในรถไฟก็ดีไม่มีอะไรจะปลอดภัยเลยลูกหัก ปัญหามียว่าถ้าเราจะเมียมาเครื่องบินจะปลอดภัยไหมนั่นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจมากเครื่องบินก็ไม่ใช่เป็นจุดศูนย์ที่จะปลอดภัยเราจะมองเห็นอันตรายที่เกิดจากเครื่องบินยอยู่เสมอเสมอเมื่อเข้ามาถึงสถานีที่พักของเรา บ้านรับรองปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จัดทำท่านรองผู้กำกับอ้วนผู้เท่าเคยให้พ่อไปติดดาวอยู่ที่สตูลเวลานั้นท่านอยู่ในปา่าไปขัดตาทัพ ร, รับมือกับข้าศึกท่านบอกว่าคิดว่าพวกเราจะมาถึงเวลาประมาณบ่ายโมงเพราะทางวิทยุวิทยุมาบอกว่าเราจะกินเพลงกันที่หยอด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 อยู่กราบขวาย้ายมากราบซ้ายจากกราบซ้ายย้ายไปกราบขวาทั้งนี้เพราะอะไรฝ น, นตกซ้ายเข้ามาเป็นฝาดลงแต่พวกเราก็ทํากันได้ดีเหมือนกันนี่เป็นการซ้อมกันไว้เพราะการมาคราวนี้เราไม่มีงานมาถึงทุ่งสงลูกรักทิ้งสุราช ธ, ธานี ขณะที่รถเราแก่เปลีย่ยนยางกันแล้ววิ่งไปสายด้านโน้นข้ามฝากไปพ่อคิดถึงท่านหญิงวิภาวดีว่าท่านหญิงวิภาวดีถูกยิงจากหอจากที่บ้านหลังครองแลนเหนือครองไปลงที่นั่นเจ้าหน้าที่เขาจัดศพพระสพบของท่านไปทำความชนะศพให้สะอาดที่โรงพยาบาล พ อ, อกับหลวงปู่ธรรมชัยเขาไปด้วยนี่ก็น่าแปลกลงไปแล้วไม่มีใครเขาพู ด, ด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ไปด้วยกันเขาก็ไม่พูดด้วยต่อมาเมื่อจสสัดรทศพเสร็จเขาจะเอาศพไปกรุงเทพหลวงปู่ธรรมชัยบอกว่าอยากจะไปด้ว ย, ยเจ้าหน้าเกลาเพียรแทนบอกว่าไปไม่ได้เราเป็นพระ เขาไม่ได้มีมนจึงว่าท่านท่านผู้กากับคือสุรินแล้วก็ร้อยโทรยุทธนามาหาจึงได้มีคนคุย ด, ด้วยว่า น, นั้นพ่ออดข้าวทาัาทาง้งเช้าทั้งเพงข้กินข้าวฉันฉันก็ต้มนิดหนึ่งคิดว่าตอนเพงจะฉันให้อิ่มก็เลยไม่ได้ฉัน นั่งอยู่ตัวนั้นท่าผู้อกำกับกับร้อนตำรโทยุทธนายัางไม่มามีคนเขานั่งอยู่ตัวนั้นมากแต่ไม่มีใครเขาอยากจะคุยด้วยก็เป็นที่น่าแปลกสุราษ ธ, ธานีเป็นเมืองของท่านพุทธทาตที่ตั้งอยู่ใกล้ๆท่านอบรมใจของบุคคลได้ธรรมะแต่บุคคลเข้าถึงธรรมะไม่มีน่าแปลก ชันแสดงว่าปราศจากความเมตตาปราณีเสียจริงๆหรือก็ว่าเห็นพระสงฆ์เป็นผู้บ่อนทำลายความเจริญของชาติเป็นตัว่วงความเจริญของชาติคนได้ยังไม่มีใครเขาสนใจแต่ว่าสิ่งทัานหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะแปลกใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกพระไม่ได้บวชมาเมื่อให้จา บ, บ้านเขาโอ้ พระไม่ได้บวชมาเพื่อองรับไหวของใครพระไม่ได้บวชมาเพื่อรับการบูชาของคนอื่นอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงไต่กับพ ร, รบามรามถามว่าท่านบวชมาแล้วต้องการการสักการะบูชาของเจ้าบ้านใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศรีสนาทรงตรัสว่า ต้าแตว่าพราม <c oughs> การบวชของเราเราไม่หวังการบรูชาของบุคคลใดทั้งหมด <c oughs> สมเด็จต ส, ส, สัมมาสมุทัยเจ้าทรงตรัว่าการบวชของเราเราไม่หวังการบรูชาของใครทั้งหมดโลกรักเว้นไปนิดหนึ่ง อยู่ดีๆมันก็ไอขึอ้นมาเฉยๆเจ้าร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้พ่อจึงไม่ปรารถนาในมันอมสมเด็จพระวิจิตามานทรงตรัสว่าที่บวชมา น, นี้เราก็ดีพระสาวกของเราก็ดีบวชมาเพื่อหวังความดับไม่มีเชื้อของกิเลส นี่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมโลกระเช็และภาษาวกทั้งหมดเป็นอย่างนี้ดั <c oughs> ่นั้นในวันนั้น <c oughs> <c oughs> เขาจะแสดงการอย่างไรกันก็ตามพ่อไม่มีความรู้สึกนึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสถานการณ์ทางภาคใต้เวลานี้ยังไม่สงบสงดทั้งนี้พ่ออะไรก็เขาว่า กำลังของฝ่ายตรงข้ามยังคับข้างพ่อก็สงสัยในยุทธวิธีที่พื้นที่ที่ก็ตีได้แล้วนี้ทำไมเกียงไม่ยึดที่พื้นที่ไว้ถอยออกไปพวกนั้นเข้ามาใหม่ก็สร้างกำลังแข็งแกร่งอย่าลืมว่าค่าศึกของประเทศภาคใต้ไม่เหมือนกับภาคเหนือ ระ ว, ว่าคข้าเสียพระใต้มีความอิ่มมีี่มันอาหารต้องการง่ายเพราะพื้นที่แคบแล้วก็ น, น่าแปลกอยู่นิด <c oughs> ที่การรบจะต้องรบกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันแต่าการรบก็มีรบไม่รู้สึกว่าจะเป็นการรบตามแบบฉบับตามตัวทังสือนจะมากกว่า <c oughs>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 กุณาคือมีความกุณาแบบเทวดาสงเคราะห์แด้แผงของกาลรุญเทพดีสำหรับบุคคลคือเจ้าหน้าที่มีความสำคัญเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในบรรดาทุรักลูกเองทั้งหมดก็เป็นข้าราชการ เมื่อเรามีวิชาความรู้ความรู้ดีแล้วทั้งว่าความประพฤติเรามาดีจิตไม่ประกอบปฏิธรรมความรู้ดีไม่ได้ทําให้คนดีได้คนที่จดีได้ก็เพราะอาศัยใจดีมีความประพฤติดีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีมีพรหมีหารศีและอัคติศีตัดความละโมบลบโมโทสัน ตัดความโครดความเียมบาทและงับใจให้มันตั้งอยู่ในความดีมันถึงจะดีได้ <c oughs> ก็รุญเทพแปลว่าเทวดาผู้มีความประณีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เทวดาเป็นคนพราะหนักใจเขาเลือกันว่าแผน ง, งานนี้เริ่มมาตั้งปีศศสพันสี่ร้อยห้าส ขอโทษพศ2517เป็นแผนที่เขาเียนด้วยหนังสือภาษาไทยชัดมอบให้รัฐสภาสมัยนั้นแต่รัฐสภาเห็นว่าเป็นหนังสือที่ไทยเขียนไม่สนใจลอยทิ้งไวต้ต่อมาปีพศ2520 คนเขาล่าใหฟังเพาจำเบสอไม่ได้ชัดเขาต้องเขียนเป็นภาษาฝรั่งเอาไปลงในงสีบางกอบโค้ดเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ส่งเข้าไปให้รัฐสภารัฐสภาจึงได้หยิบยกขึ้นมาพิจ า, ารณาแผนการนี้เป็นแผนการที่ดีมาก บ้านเมืองไม่ต้องใช้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เป็นอ น, นว่าเป็นบ้านเมืองที่มีกรมก ร, ร, กรมการประธานกรรมการมีสาธารณสุขมีตำรวจมีอะไรตัรเสร็จในตัวเสร็จป้องกันตัวเองแล้วก็มีสุขาภิบาลมีการช่วยในกา ร, รอาชีพมีการครั่งของหมู่บ้านเองเรียกว่าทำคล้ายคล้ายเมืองเล็กๆอันนี้ดีมาก เหมือนก็รับเล็กๆรับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าน่าแปลกใจเจ้าหน้าที่มาบอกว่าคนไทยเขียนเขียนภาษาไทยคนไทยไม่อ่านต่อมาเมื่อคนไทยเขียนเป็นภาษาฝรั่งให้ฝรั่งคนหนึ่งสง่งให้ส่งให้คนไทยอ่านถ้าคนไทยเรายังมีน้ำใจเป็นอย่างนี้ความเป็นไทยของเรามันก็น้อยไป เพราะว่าถ้าคนไทยพูดคนไทยไม่รับฟังคนไทยทาคนไทยไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวต้องเป็นของฝรัง่งถ้าฝรั่งพูดคนไทยฟังคนไทยฝรั่งทาคนไทยใช้ฝรัง่งขายคนไทยซื้ออย่างนี้เรียกว่าเราขาดชาตินิยม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 แน่ทุกท่านยู่นนี่ก็รู้สึกวันดีแล้วจัดสถานที่กันเองเพราะเราไม่อยู่ที่ท่านจัดให้ปรากฏว่ามีความสะดวกสบายเรามีความสุขรับความเมตตาปราณีจากท่านพันธุ์ตัณฑ์เสสุ ด, ดินเป็นอย่างมากกับปัญญาท่านเมตตาปราณีทุกอย่างถือว่าเป็นที่พักแบบสบายสําหรับเมืองคอน หรือว่านครศรีธรรมราชที่จะเที่ยวก็มีไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์หลวงที่ในเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนั้นก็มีจุดหนึ่งพ่อไม่กล้าพาไปการไปจากทุ่งสงพระนะครศรีธรรมราชในช่วงหนึ่งทุ่มกับสีทุ่ม ในทางการระหว่างนั้นก็เคยมีการขี่รถกันตั้งสิบเจ็ดสิบแปดคันแม้กร่ช่วงเช้าเวลาเช้าตรู่ที่ช่วงหนึ่งจุดนั้นเขาก็มีการจี่กันเราไม่กล้าไปถ้าไปก็เสี่ยงเกินไปดังนั้นการ่าไปก็ต้องไปกลางกลางวันต้องคอยลูกทั้งหมดมาพร้อมกันไปชมพระเจดีย์และดูก็ ตรงปราวานดูของบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่เต็มไปด้วยทองคำล้นล้วนถ้าใะคิดเป็นมูลค่าก็เห็นจะเป็นหลายสิบล้านบาทนอกจากนั้นก็มีที่ที่หนึ่งนั่นก็คือที่พระเจ้าตากสินมหาราชสมัยบทเป็นพระมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งมีครติอยู่ขานา สำหรับที่จามันษาและจาสิ่งเขาพระเจ้าต า, ากตสินมหาราชสมัยโบทละแล้วก็สวรรค์โคตที่นั่นที่ตรนั้นเป็นประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราไปเห็นแล้วก็เห็นแต่ธรรมเห็นก็เห็นแต่กุฏิก็ดีหน่อยกุฏิหลังเก่าพังไปเขาก็าสร้างขึ้นมาใหม่มารลปเดิมเจราทอมเล็กๆแต่คันห้องครึ่งไม่ใช่สองห้อง น้อยท่านอยู่แบบสันโดษแบบอยู่แบบสงัดเป็นอ น, นว่าสถานที่ท่เยียมเที่ยวก็มีแห่งหนึ่งคือน้ำตกลมแล้วก็ไปทางด้านสุราษฎร์ธานีไปจากนี่ก็ไม่ไกลคือน้ำตกวิภาวดีแล้วก็ไปถ้ำเสือขอเจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีเต้นพระมหาจำเนียนอยู่ที่นั่น ให้ถ้ำเสือนั่งเข้าไปภายในมันมีความรื่นเริงมากการไปมันยากเกี่ยวกับเสี่ยงภยัยรกรักพ่อจึงไม่พาลูกไปความสนุกความสบายความรื่นเริงร้อร่าที่ได้มันไม่พอการอันตรายที่มันเกิดขึ้นพ่อจึงไม่พยายามไปที่นั่นเป็นอ น, นว่าสถานที่จะเที่ยวกันเราก็รอมาพร้อมกัน เพว่าถ้าไม่พร้อมกันถ้าไปไมันก็ไม่ดีการเดินทางสงคราวสาคราวอย่างนี้มีการสิ้นเปลืองไม่สําคัญได้ความเหน็ดเหนื่อยมาที่นี่พอ ร, รู้สึกว่าได้พักมากร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ทุกคนที่มาต่างคนก็เหน็ดเหนื่อยกันมาต่างคนต่างก็ได้พักผ่อนกันอย่างนี้หลังจากนี้วันที่ที่สิบ เราก็ต้องเดินทางเปลี่ยนแผนการใหม่ว่าจะไปนครศรีอันว่าจะไปหาดใหญ่้วก็ต้องเลยพยาลาเพราะว่าลาเวลากลับมาตัดใจยันลาไปหลังสนเราจะต้องเดินทางถึงตีชั่วโมงทนไม่ไหวมาอยู่ น, นลาตามใหม่ก็หนึ่การแล้วก็กลับมาพักที่หาดใหญ่ออกจากหาดใหญ่ไปหลังสนพอทน เป็นนคำว่าสำรับรบเรื่ อ, นองนครศรีธรรมราชนี้พ่อขาเล่าไว้ก่อนหน้าที่จะไปเที่ยวนั่นก็คือที่พระบรมสารีริกธาตุในตัวเมืองความจริงพ่อมาเมืองนี้บ่อยๆแต่พ่อก็ไม่มีโอกาสเที่ยวที่ไหนเพราะว่าพ่อมาทำอะไรก็มาทำแต่งานตอนเช้าวเวลาโมงเช้าพ่อจะน้าหาัน เสียงหอบวิ่งปรับปรับปรับไปเพื่อรับรับแล้วก็ไปทํางานในป่ากลับจากป่าเขาคำ่ำตอนค่าดีไม่ดีเพราะว่าต้องนอนให้น้าเกลือตอนเช้าก็ไปทํางานใหม่ทํางานแบบนี้จนจบตวจเขตนี้แล้วก็ไปปักใต้เออไปที่สงขลาก็มีงานแบบนี้เช่นเดียวกัน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 ยาวเหยียดมี้กี่สายไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่มีเวลาเที่ยวถาสำหรับเรื่องนครสีธรรมราชก็ขอบัน ท, ทึกแต่เพียงหน้าเดียวเวลานี้เทพก็จะหมดหน้าอยู่แล้วก็ขอหยุดไว้แต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี